ใยพร้อมแล้วก็ระหว่างรอก็นั่งนั่งดูลมหายใจไปก่อนดูลมหายใจก็เหมือนตะกี้นี้่ยเหมือนที่ออกไปยืนนะั่นแหะเดี๋ยวเสร็จแล้วหลังจากนี้ก็จะมีการถามตอบกันนะมีปัญหาอะไรเดี๋ยวไปถามไปคุยกันช่วงท้ายตอนนี้เตรียมตัวรู้ลมหายใจ ปรับอินซีให้เหมือนเมื่อกี้เหมือนที่เราไปยืนอยู่ข้างนอกที่พร้อมจะรู้การเคลื่อนไหวในขณะที่เป็นปัจจุบันตามความเป็นจริงอันนี้เราก็นั่งการรู้ลมหายใจเป็นกรรมฐาน ที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นบิดาของพวกเราเนี่ยเราเป็นลูกก็เหมือนพ่อของเราได้สอนเราไว้ว่าให้ทำอย่างไรนั่งตัวตรงตั้งกายให้ตรงดำรงจติอยู่เฉพาะหน้า ดำรงสติอยู่เฉพาะหน้าลองดำรงสติอยู่เฉพาะหน้าให้ น, น, นานๆให้มันคุ้นให้มันทั่วดิเาใบหน้าของเราเอาความรู้สึกท่องทัวใบหน้าของตัวเองด้านบนเป็นหน้าผากด้านซ้ายเป็นแก้มซ้ายด้านขวาเป็นแก้มขวาด้านล่างเป็นคาง เหนือคางเป็นปากเหนือปากเป็นจมูกพะความรู้สึกท่องไปทั่วใบหน้าของเราจนจิตมันรู้เฉพาะใบหน้าอันตะมาเรียกมุกขะมณฑลพื้นที่ใบหน้า ตั้งกายให้ตรงนำรงสติอยู่เฉพาะหน้าจากนั้นยบจิตก็ไปถูที่ตั้งของจิตรู้ตรงช่องจมูกจนเส้นทางที่ลมจะไหลผ่านออกที่ลมจะไหลผ่านเข้าเราคอยคว้าวจ้องดูรู้อยู่ตรงนั้น ลมหายใจไหลออกก็รู้ลมหายใจไหลเข้าก็รู้ลมหายใจเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตของเราในส่วนที่เป็นกายมันมันจะต้องมีออกและมันจะต้องมีเข้าอยู่ตลอดเวลาดัน้เราแค่ทำหน้าที่ดูรู้จ้องดูจ้องรู้การทำหน้าที่ของลมหายใจที่เคลื่อนออก ที่เคลื่อนข้าวเคลื่อนออกก็แค่รู้เคลื่อนไปรู้ไปเคลื่อนข้าวก็แค่รู้เข้าไปรู้ไปเคลื่อนออกก็รู้เคลื่อนออกไปรู้ไปเคลื่อนข้าก็รู้ข้าวไปรู้ไป <c oughs> <c oughs> ลมหายใจจึงเป็นสิ่งที่ถูกรู้ ในระหว่างที่เรารู้ลมหายใจอยู่จิตเราอาจจะหลุดออกมาเพื่อรู้ตรงกายส่วนอื่นก็ไม่เป็นไรก็ตรวจสอบให้มันเรียบร้อยเราไม่ใช่งโง่ไม่จะปฏิบัติแบบซึม ง, ง่ลึกก็ไม่ใช่ไม่ใช่อย่างนั้นเร า, าปฏิบัติก็ไปเป็นผู้ที่ฉลาดตื่นตัวรู้ตัวหลักแหลมรอบรู้ ขณะที่เรารลุล้มหายใจไล่ออกรูุล้มหายใจไล่เข้าตะกายมันเอียงมันกู้มันเอียงซ้ายเอียงขวาหรือมันไม่ตรงศีสากมันตะแคงเนี่ยเราก็ติดรู้ออกมาจับปับ๊บจัดระเบียบกายให้ตรงนี่เป็นลักษณะของผู้ที่ตื่นตัวของผู้ที่ตื่นตัวของผู้ที่รู้มันต้องอย่างนี้ ทั้งฉลาดทั้งหลักแหลมแล้วก็กลับไปรู้ลมหายใจจัดระเบียบกายให้มันตรงแล้วก็ไปรู้ลมหายใจการจัดระเบียบกายให้ดีมารู้อย่างนี้ใช้วิธีอย่างนี้แหละมันเป็นวิสัยของบัณฑิตเป็นวิสัยของคนฉลาด หายใจออกรู้หายใจเข้ารู้ตอนนี้มันก็ไม่มีอะไรมากมันมีแค่จิตของเรามีลมหายใจเป็นเครื่องอยู่ด้วยการรู้การไหลออกรู้การไหลเข้าลมหายใจที่เป็นเครื่องอยู่ของจิตนกขณะนี้เป็นเครื่องอยู่หลักขณะจิตที่รู้ลมหายใจไหลออกรู้ลมหายใจไหลเข้า เขาจะไปรู้อย่างอื่นด้วยได้คือรู้กายในระหว่างที่ก็รู้กายก็กลับไปที่ลมหายใจกายมันเอียงกายมันเซกายมันคุก็รู้แล้วก็จัดระเบียบให้มันตรงแล้วก็กลับไปรู้ลมหายใจหายใจออกรู้ทำไมกายมันเอียงจึงรู้ก็เพราะมันเอียงอพราะมันเอียงจึงรู้ว่าเอียงจัดให้มันตรงจึงรู้ว่ามันตรงแล้วก็ไปรู้ลมหายใจ มันเป็นขณะขณะเป็นปัจจุบันขณะขณะแต่ละขณะขณะไปให้ใจออกรู้ให้ใจเข้ารู้ มันเกิดความง่วงเราพยายายืดตัวให้ตรงมีความซื่อตรงต่อการปฏิบัติของตนเองนะฮะห่วงใหญ่มันครอบกำเกิดปั๊บยืดตัวให้ตรงให้มันสลัดออกไปมีความพยายามในการที่จะประคองจิตรู้เกาะอยู่กับลมหายใจเป็นความพยายามที่ไม่เป็นอกุศล ไม่มีความหวังไม่มีการไม่มีการเกรงใดๆทั้งสิ้นแค่ลมหายใจไหลออกก็รู้ลมหายใจไหลเข้าก็รู้แต่ความเป็นจริงของลมนั้นลมหายใจเริ่มไหลเข้านั่นแหละมันเริ่มตั้งขึ้นพอสุดปับ๊บมันก็ดับไปหายใจออกรู้ก็เริ่มไหลออกมันตั้งขึ้นสุดปั๊บก็ดับไป หายใจเข้ารู้ว่ามันเกิดขึ <Crash> ้นหายใจดับหายใจออกรู้ว่ามันเกิดขึ้นหายใจเข้ารู้ว่ามันเกิดขึ้นแล้วก็เห็นมันดับหายใจออกรู้ว่ามันเกิดขึ้นแล้วก็เห็นมันดับเกาะกับลมหายใจไปอย่างนี้แค่รู้แค่ดูแค่เห็นหายใจออกรู้หายใจเข้ารู้ที่ไตถอยมันเมื่อย รู้สึกว่ามันเมื่อยก็ ย, ยกมือขึ้นไปรูปรูปรูปรูปด้วยสติไม่ใช่ลุกด้วยไม่ใช่ยกออกไปด้วยรีบยกรีบรูปแรงๆไอรีบยกออกไปเพื่อรูปเนี่ยตัณหาความอยากไม่ให้เป็นความอยากไม่ให้มันมีให้มันหายไปไล่ไปไพน้น รีบยกมือก็ไ้ไ ป, ปรูปรูปรูปแล้วมันก็เกิดความสบายก็ตามหาเป็นกรรมมตัตตนหาอีกล้วก็ยกด้วยสติให้เป็นการเคลื่อนไหวที่บริสุทธิ์ค่อยค่อยยกด้วยสติมือเคลื่อนไปรู้วางมืออยู่ตรงที่มันคันรู้ค่อยๆขยับมือช้าชารู้ความคันหายไปกลายเป็นความสบายสบายก็รู้แล้วก็ยกจิตกลับมารู้ลมหายใจ ใายใจออกรู้ให้ใจเข้ารู้ นั่งแล้วมันรู้สึกเมื่อยก็ขยับได้นะึ่งแต่ว่าขยับด้วยสติอยากขยับด้วยตัณหาตัณหาคือว่ามันเมื่อยมากแล้วไม่อยากอยู่ความเป็นอย่างนั้นแล้วอยากจะกลับปรับเปลี่ยนเพื่อให้มันเกิดความสบายอย่างนั้นด้วยอำนาจของตัณหาด้วยอำนาจของความเพลินเราขยับด้วยสติ จะก็กลับมารู้ลมหายใจต่อไปจะทำตัวอยู่กับเงื่อนของการเวลาตอนนี้เวลาไม่มีสำหรับเรามันมีแต่ขณะที่เป็นปัจจุบันเท่านั้นอดีตอนาคตมันเลยไม่มีอยู่กับขณะที่เป็นปัจจุบันขณะที่ลมหายใจไหลออกขณะที่จะหายใจไหลเข้ารู้ตามความเป็นจริงข้างในนั้น อะไรเกิดขึ้นก็รู้ว่ามันเกิดขึ้นอะไรดับไปเ น, นี่ก็รู้ว่ามันดับไปอันนี้เรียกว่ารู้ตามความเป็นจริง เราสงสัยกันมาว่าที่เขาว่ารู้รู้รู้อะไรเราก็ไม่ต้องไปสงสัยเราปฏิบัติเลยรู้มันก็ตั้งต้นที่ลมหายใจนี่แหละลมหายใจเป็นอย่างไรรู้อย่างนั้นลมหายใจเป็นอย่างไรรู้อย่างนั้นเรียกว่ารู้ก็ตั้งต้นที่ลมหายใจรู้ไปเรื่อยรื่อยรู้มันก็จะ เป็นของมันเองมีกําลังของมันเองเราแค่ทําหน้าที่รู้ไปเรื่อยๆแล้วก็อนุญาตสำหรับผู้ที่จะเข้าห้องน้ำแปบบ่ไปด้วยสติทําด้วยสตินะแต่แต่เพราะที่ว่าทนไม่ไหวจริงๆ ไม่อย่างนั้นก็อยู่กับมันเห็นมันให้ได้เห็นมันเกิดขึ้นเห็นมันตั้งอยู่ เอาละยกจิตกลับไปรู้ที่มือข้างขวาขยับปลายนิ้วมือข้างขวาให้รู้สึกแล้วยกมือฝวาเคลื่อนไปช้าชาวางไว้ที่ข่าข้างขวาของตนแล้วยกจิตมารู้ที่มือข้างซ้ายขยับปลายนิ้วมือซ้ายให้จิตรู้สึกแล้วก็ยกมือซ้ายขึ้นเคลื่อนมือซ้ายไปช้าชาด้วยจิตรู้สึกวางมือซ้ายไว้ลงข่าข้างซ้ายของตน แล้วลกจิตกลับมารู้เฉพาะซึ่งใบหน้าเมื่อรู้เฉพาะซึ่งใบหน้าแล้วก็ขยับใบหน้านิดหนึ่งดึงตาออกจากสมาธิวันนี้เรียกว่าเราได้นั่งประมาณหนึ่งชั่วโมงตอนนี้ถ้าใครจะไปห้องน้ำไปด้วยสติเด้อ เห็นความทุกข์เห็นความขบเห็นความเข็ดเห็นความเมื่อยเห็นความเจ็บเห็นความปวดมันเกิดขึ้นที่กายนี้แหละอย่าไปเดือดร้อนเราแค่ไปบำบัดทำหน้าที่คลี่คลายความทุกข์ชั่วครั้งชั่วคราวมันปวดอยู่เราขยับขึ้นมามันก็หายแต่มันหายชั่วคราวเดี๋ยวมันก็ปวดอีกมันปวดท้องน้ำ เรารีบลุกขึ้นไปเข้าห้องน้ำเข้าเสร็จกลับมานั่งเดี๋ยวมันก็ปวดอีกมันเป็นของชั่วคราวเดี๋ยวปวดเดี๋ยวหายเดี๋ยวปวดเดี๋ยวหายมันหายไม่จริงทุกทีอพอสติก อ, อกรู้อยู่ที่ลมหายใจนานๆนนถ้ามันไม่มีความฟุง้งซ่าน ขึ้นมากลบอารมณ์ใดไว้พอนั่งเสร็จปุ๊บออกจากสมาธิยังมีอุเบกขาเหลืออยู่ก็เป็นความสงบความความสงบที่เกิดขึ้นจากการนั่งสมาธิและเราออกจากสมาธิแล้วความกระหบสามสล่านั้นยังมีกำลังอยู่นะความโศบนั้นตัวนั้นะคือสิ่งที่ควรจะมีในการใช้ชีวิตจริง ในชีวิตประจําวันของเราแต่มันมีน้อยๆเดี๋ยวพอไปทามันน่นนี่นิดนี่หน่อยมันก็หมดเพราะฉะนั้นมันจึงต้องฝึกฝึกบ่อยๆฝึกทั้งนั่งฝึกเดินฝึกแล้วก็ฝึกในการรู้ในชีวิตจริงนำไปใช้ในชีวิตจริงเมล่เราจะนำไปใช้เราไม่รู้เราไปใช้ตรงไหนมันก็ไปใช้ได้สองสองส่วน ส่วนกายกับส่วนวาจาก่อนส่วนวาจาเรียกว่ามันตะพาณีมันตะพาณีแปลว่าอะไรใครรู้ยกมือขึ้นไม่มีเงียบมันตะพาณีแปลว่าพูดด้วยปัญญาจำไว้ นำความากงบนี้ไปฝึกในชีวิตจริงไปใช้มันตะพานีพูดด้วยปัญญาถ้าพอจะพูดแล้วอกุศลอยู่เบื้องหลังของการพูดไม่พูดเวลาจะพูดพิจารณาจิตไอ้นิ่งแล้วก็พิจารณาด้วยกุศลมีกุศลเกิดขึ้นแล้วก็พูดอย่างนี้เรียกว่าพูดด้วยปัญญามันตาพานีเวลาอยู่บ้านกลับไปถึงใช้่มากในครอบครัวและ เวลาคนอื่นคนข้างนอกโทรศัพท์เข้ามาแล้วเอเอหวัดดีเธออย่างนู้นเธออย่างนี้เอเอหวานอย่งอางพอนในครอบครัวเดึ๋ยวว่ามาแล้วอ่ะเอเอพอกคนข้างนอกครอบครัวนะโอ้ยหวานลูกกับเพื่อนโทรมาโอ้ยคุยกับเพื่อนตีชั่วโมงตรงช้งคุยกับแม่ครึ่งคําก็ยังมีย กับพ่อกับแม่คุยกันได้คองคำเนี่ยเดี๋ยกวก็เป็นคนมีสาระมากเลยแต่เวลาคุยกับพ่อกับแม่เนี่ยแต่เวลาคุยกับเพื่อนนะไม่รู้เอาสาระมาจากไหนคุยเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงงั้นพระเจ้าวาเราจะรู้ในชีวิตจริงเราควรจะใช้ความสงบเนี่ยจากการปฏิบัติของเราในใช้ตอนไหนใช้มันตะพาณี พูดด้วยปัญญาอุปสัสอุปัรโตอุปัชันโตอุปะระโ ต, ะ ต, ระระโตมัณตะพานีเรียกว่าเมื่อเข้าใจโหเป็นพอหลังจากพูดด้วยปัญญานั้นแล้วก็เว้นจากอกุศลถ้า ความสงบมันจะทําให้เรารู้อกุศลถ้าทั้งออกจากสมาธิแล้วเราลองระลึกดูนิสัยตัวเองเราก็จะเห็นอกุศลเกิดขึ้นที่ใจของเราที่เคยเกิดขึ้นอกุศลใดที่เคยเกิดเรียกว่าอกุศลที่มีอยู่อกุศลใดที่ยังไม่เคยเกิดเรียกว่าอกุศลที่ยังไม่เกิดอกุศลใดที่เคยเกิดขึ้นที่ใจของเราเรียกว่าอกุศลนั้นเป็นอกุศลที่มีอยู่ พระเจ้าว่าคนปฏิบัติต้องทุวติปาปาเกอากุศเล ป, ปาปะาปมเบอากุศเลเยต้องํำจัดดู ด, ด, ด, ดิมันต้องเด็ดขาดมันต้องเด็ดขาดมีอำนาจมากในการที่จะกล้าหารกำจัด ทุวติปาปเกทมเวในการที่จะกำจัดบาปอากุศลบาปอากุศลรู้จักไหมไม่รู้จักเพราะจิตใจบริสุทธิ์มากไม่มีอกุศลเลยนะนี่ก็เรียกว่าเอาเอาความสงบเอ า, าที่เป็นสมาธิมีผลจากการทำสวิธิไปใช้ในชีวิตจริง หนึ่งมันตาพานีพูดด้วยปัญญาดองพิจารณาในชีวิตจริงเราเนี่ยเวลาจะพูดมันมีปัญญาเกิดขึ้นที่จะให้เราใคร่ควรพิจารณาก่อนว่าพูดว่าควรพูดอย่างไรควรพูดแค่ไหนควรพูดเพื่อออะไรควรฟังแล้วฟังแล้วได้อะไร ไห้พิจารณาอย่างนั้นเรียกว่ามัลตพานีพูดด้วยปัญญาที่ชื่อว่ามันตะปัญญาใดที่ทําให้การปรึกษานั้นเกิดความสมานฉันปัญญานั้นชื่อว่ามันตะการสนทนาที่ทําให้คู่สนทนาของเรารู้สึกว่าอยากจะคุยด้วยอยากจะสนทนาด้วยอ้นั้นเรียกว่ามันตะมันตะมันแปลว่าปรึกษา มันตะพาณีคือพูดด้วยปัญญาที่ชื่อว่ามันตะพูดง่ายง่ายก็คือพูดด้วยปัญญาคนปฏิบัติต้องอย่างนั้นถ้าผมมีอารมณ์มันไม่พูดไงเวลาจะพูดในกรณีที่เป็นงานเป็นการมันจะต้องพูดด้วยปัญญาเวลาโกรธจะไม่พูดเวลารู้สึกหงุดหงิดไม่พูดมีอกุศลอยู่ที่ใจไม่พูดคนมีปัญญา พอพูดไปมันก็เป็นวัจจิทุจริตวัตถุ ว, วจีทุจริตมันเป็นทางของอะไรมันเป็นทางของ อ, าอาบายเราพูดก็ได้ือเราไม่ต้องพูดด้วยปัญญาก็ได้แต่เราจงรู้ไว้ว่ามันไปอาบายเพราะมันเป็นอกุศลมันเป็นวัจจิทุจริต พูดไปแล้วทําไปแล้วมันทําให้กิเลสมีอํานาจแล้วทาบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆมันปิดทางสวรรค์ของตนเออมันปิดทางสวรรค์ของตนทางสวรรค์ของเรามันต้องตั้งต้นที่ไหนตั้งต้นที่สติพระพุทธเจ้าว่าอ้างพระพุทธเจ้าดีกว่าสบายใจพระพุทธเจ้าจรัสว่าสติสัมปชัญญะอัสติ สติสัมปชัญญะพิกวอาสติดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อสติสัมปชัญญะไม่มีพระเจาว่าเมื่อสติสัมปชัญญะไม่มีสติสัมปชัญญะสติสัมปชัญญะวิปนัสสะหตูปะนิสังโหติหิโรตปะเมื่อสติสัมปชัญญะไม่มี ฮิริโอตาปะของผู้ที่มีสติสัมปชัญญะวิบัตินั้นถูกกำจัดเสียแลว้วฟังเข้าใจไหมฟังเข้าใจไหมนี่สานวนพระเจ้าฟังเข้าใจไหมเมื่อสติสัมปชัญญะไม่ม <apa> ีฮิริโอตาปะของผู้ที่มีสติสัมปชัญญะวิบัติถูกกำจัดเสียแล้วพระเจ้าวะฮิริโอตาปะ ของดีใช่ไหมของดีแต่ผู้ที่ไม่มีิริไม่มีสติสัมปญยะท่านจึงว่าฮิริโอตปะของผู้ที่มีสติสัมปญญะวิบัตินั้นถูกกาจัดแล้วหิริโอตปะถูกกาจัดไปแล้วคนที่ไม่มีสติผูดทัานๆก็คือว่าคนที่ไม่มีสติสัมปชญญะคือคนที่มีฮิริโอตปะวิบัติอ่ะลองคิดดูนะ นี่พระพุทธเจ้าท้าจัดถอนอย่างเงี้ยเทตมาบอกว่าเราปิดทางสวรรค์ของเราเราเปิดทางอบายของเราง่ายๆเอาต่อไปท่านตรีฮิริโอตเปะอสติเมื่อฮิริโอตาปะไม่มีฮิริโอตาปะวิปันนัสสะฮตตูปานิโซโหติอินทรียสังวร อินทรียสังวรของคนที่ไม่มีฮิริโอตะปะก็วิบัติเหมือนกันอินทรียสังวรคืออะไรคือการควบคุมระมัดระวังตาระมัดระวังหูระมัดระวังจมูกระวัตจมังลิ้นระมัดระวังเรื่องการที่ตัวเรากับโลกกระทบกันกระทบกันแล้วเนี่ยมันจะไม่อินทรียสังวรคือเมื่อโลกกับเรากระทบกันแล้วไม่ให้เกิดอกุศล ระมัระวังเรื่องการกระทบนี่เรียกว่าอินสียสังวรแต่สําหรับคนที่ไม่มีฮิริโอตะปะอินสียสังวรนี้วิบัติเลยอินสีย ส, สังวเรอสติภิกขุทั้งไหลายผู้ที่อินสียสังวรไม่มีอินสียสังวรวิปั น, นัสสะหะตูปานีสังโธติสีรังศีล ของผู้ที่มีอินเสียสังวรวิบัตินั้นถูกกำจัดอ้าวนี่เป็นเรื่องขึ้นมาอลไรเห็นไหมเป็นเรื่องขึ้นมาผู้ที่มีมีอินทสียสังวรเรียกว่ามีอินทียสังวรวิบัติศีลของเขาก็ถูกกำจัดไปด้วยไอสุสีลังเนี่ยไม่มีสุสีลาเนี่ยคือว่ามีศีลอันดีในทางของตนเกิดขึ้นไม่ได้กับผู้ที่มีอินทียสังวร สี่เลอัสติพิสุทั้งหลายเมื่อศีลไม่มีนี่เริ่มน่ากลัวขึ้นมาแล้วนะสี่เลออสติพิสุทั้งหลายเมื่อศีลไม่มีสี่ละวิป น, นัสสะหตูปนิสั่งโหติสัมมาสมาธิไงสัมมาสมาธิของผู้ที่มีศีลวิบัติถูกกําจัดแล้วคือ คือคฝามว่าสมาสมาธิของคนที่ไม่มีศีลนะไม่มีแน่นอนถูกกาจัดอยแล้วหัตตูปณีสั่งไปว่าถูกกาจัดแล้วถูกกาจัดแล้วอืเนี่ยไม่มีสมาสมาธิทําไม่ตายก็ไม่ได้ถ้าไม่มีศีลต่อไปว่าสมาสมาธิหิอัสติเมื่อสมาสมาธิไม่มีอืมปิกจุทั้งหลาย สัมมาสมาธิวิปันาสะหตูปานีสั่งโหติยถาภูตญาณทัศนังเมื่อสัมมาสม า, สมาธิวิบัติยถาภูตญาณทัศนะก็ถูกกำจัดไปแล้วยะถาภูตญาณทัศนีอสติเมื่อยถาภูตทัศนะไม่มียถาณญาณทัศนะไม่มี ยะถาภูตญาณทัศนะวิปั น, นัสสะหตูปนิโสโหตินิพทาวิราโคเนี่ยอย่างงที่ว่ามันปิดทางไงมันปิดทางแล้วเนี่ยเมื่อสเมื่อยถาภูตญาทัศนะ์ไม่มีนิพทาวิราคะเกิดไม่ได้เออเป็นเรื่องขึ้นมาแล้วใช่ไหม นิพพิทาวิราคีอัสติเมื่อนิพพิทาวิราคะไม่มีวิมุตติญานทัทสันังก็เกิดไม่ได้ผมไม่มีวิมุตติยานทัทสนาก็จบแล้วใช่ไหมมันจบแล้วมันปิดเรียบร้อยหมแล้วมาจากไหนทั้งหมดนี้มาจาก ไม่มีสติมหาอยากสติสัมวัชญะไม่มี่านพอเราเริ่มต้นเราเริ่มต้นตรงไหนอ่ะเราต้องเริ่มต้นที่สติเนี่ยพุทเจ้าชี้ไว้ชัดมากในเส้นทางแห่งมรรคนั่นจะบอกที่พูดตอนท้ายนี่พูดเพื่อ ให้พวกเราเห็นว่าการที่เราปฏิบัติจเจริญภาวนากันอยู่เนี่ยมันเป็นไปตามทิศทางของฝักฝ่ายเพื่อฝ่ามรู้ยิ่งในคำสอนของพระเจ้าแล้วต้องเอาจริงมั่งนะกลับไปเนี่ยมันมันเอาไว้จริงใช้เวลาเพิ่มขึ้น รือเวลาเท่าเดิมแต่ความตั้งใจเพิ่มขึ้นเวลาเท่าเดิมความตั้งใจเพิ่มขึ้นเข้าใจไหมทําได้ไหมมันก็ต้องเอาไว้ได้ก็แนวการปฏิบัติที่ที่ท่านค่อยๆช้าค่อยๆช้ามันไม่ใช่เกิดขึ้นแล้วก็ปฏิบัติได้ช้าชานะแนวปฏิบัติเหล่านี้มาจากไหนมาจากแต่ก่อนเนี่ยมันก็ปฏิบัติเร็วๆปกติ แต่เวลามันเท่าเดิมแต่ว่าเวลาเท่าเดิมปฏิบัติให้มันเข้มข้นขึ้นจากคารที่มันรู้เป็นก้าวเอาใหม่ให้มันละเอียดขึ้นให้มันรู้ไ ม, ม่ให้หลุดเลยรู้ช้า้ารู้เป็นจกกังหวะรู้ยกส้นเท้าขึ้นรู้ค่อยค่อยยกเท้าขึ้นก็รู้ียกหยุดกลางก็รู้กําลังจะย่างก็รู้ปลายเท้าจุดก็รู้ค่อยค่อยวางเท้าเหยียบลงก็รู้อย่างนี้ค่อยค่อยรู้เข้มข้นขึ้น เราก็เหมือนกันเวลาเท่าเดิมแต่ความตั้งใจรู้ความเป็นจริงในขณะในขณะขณะ ข, ของชีวิตประจำวันให้มันเพิ่มขึ้นที่เมื่อเช้าบอกพระเจ้าว่ากินเจพิกเวจะถาภูตังประชานาธิรู้ตามความเป็นจริงคือรู้อย่างไรรู้ตามความเป็นจริงคือรู้สองช่วงช่วงที่หนึ่งรู้ในเรื่องของความเกิดกับความปรากฏ อาอะไรที่มีเหตุปัจจัยเป็นแดนเกิดเกิดความกรดทราพอะไรที่มันปรากฏขึ้นมาเนี่ยมันเกิดมันเกิดนี่ช่วงแรกเรียนรู้ทุกอย่างรู้ทุกหมดเลยแล้วก็ไม่ใช่ไปรู้ว่มันมากความนะรู้แค่มันเกิดขึ้นทีนี้ช่วงที่สองก็คือรู้ความดักของมัน พอรู้ความเกิดความหลับมันจบแล้วเพราะตามความเป็นจริงที่ว่าตามความเป็นจริงมันไม่มีสามารถที่มีจะมีใครมาลุกขึ้นมาเถียงได้ค้านได้ว่าไม่จริงอ่ะจริงไหมต้องตอบว่าจริงเออเพราะไม่มีใครที่จะลุกขึ้นมาค้านได้แม้แต่เสียงเดียวว่าไม่จริงหรือจะค้าน ไม่มีการไม่ได้จริงๆเพราะว่ามันรู้ตามความเป็นจริงยถาภูตังปชาณาติรู้ตามความเป็นจริงอะไรคือตามความเป็นจริงคนสัตว์สิ่งของในความเป็นจริงเหมือนกันไหมฮะเหมือนกันเหมือนกันอย่างไร เหมือนกันเป๊ะเลยแต่ในความสมมุติเหมือนกันไหมไม่เหมือนเพราะความสมมุติเราสมมุติเสร็จแล้วเราก็คาดหมายปรุงแต่งยึดถือให้ความสำคัญเราให้ชื่อขณะชื่อพ่อไม่ให้มาแล้วนะไม่พอใจเรายังไปเปลี่ยนเพราะเรา คาดหมายให้ความสำคัญในความสมมุตินี่โอ้ยมันต่างกันเยอะมากต่างกันจริงๆเลยในความสมมติเนี่ยแต่ในความเป็นจริงไม่ต่างเพราะถ้ามันยังต่างกันอยู่มันไม่จริงในความเป็นจริงเหมือนกันหมดแหละพระพุทธเจ้าจึงบอกว่ายถาภูตัระชานาติในความเป็นจริงที่เหมือนกันหมดนั้นก็เหมือนกันโดยที่ว่ามันเป็นแค่สิ่งที่ เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปมันจึงไม่มีใครเถียงพระพุทธเจ้าได้แม้แต่คนเดียวตั้งแต่สองพันห้ารกว่าปีที่แล้วจนถึงวันนี้ไม่มีใครเถียงเราทำความเข้าใจรู้อย่างนี้เรียกว่ารู้ตามความเป็นจริงในฐานะความรู้ในส่วนเหตุมันไม่สามารถกำจัดอกุศลได้เมื่อเราลงมือปฏิบัติให้จิตเราเกิดการรู้จากข้างในให้มันประจักษ์แจ้ง ต่อสภาพที่มันเกิดขึ้นตามความเป็นจริงนั้นเรียกว่ารู้ในการปฏิบัติการเนี่ยมันจะต่างกันเอารู้รู้ว่าไฟนี่นี่คือไฟไฟนี้มันร้อนนะรู้อย่างงี้เรียกว่ารู้รู้ในส่วนเหตุนะนิ้วไปจอ่อให้ไฟมันไหม้ไอ้รู้ว่าร้อนนี่เป็นไง พอไฟมันมาไหมเราเนี่ยความรู้ว่าร้อนนี่มันประจับมันเป็นความรู้ชั้นประจับเรียกว่าความรู้ปฏิบัติการแต่ถ้าความรู้ส่วนเหตุไฟมันร้อนนะแต่มันก็ยังเข้าไปด้วยเหมือนมะเร็งเม้ามะเร็งเม้าเคยใช่ไหมเขาบอกมะเร็งเม้าบินเข้าของไฟทําไมก็เปรียบมะเร็งเม้าพราะมะเร็งเม้าน้าสงสาร พอเห็นควายสว่างสว่างบินปู่ก็ไปอ้าวควายไหม้ปีกขาดปีกขาดร่วงลงไปกองอยู่กับพื้นเลยนะ mm hmm. เห็นแสงควายยังอุตส่าห์ใช้ขาตะเกียร์ตะกายตะเกียรตะกายเข้าไปหาไฟอีกถ้ามันขณะมันไหม้ปีกขาดเลยนะอ mm hmm. โลกที่สมมุติเนี้ยของเราเนี่ยแต่ละคนเนี่ยควายความทุกข์แผดเผาปู่ยี่ปู่ยำชีวิตเราปนปี้ไปไม่รู้ทักเท่าไรทักเท่าไร เรียกว่าถ้าเป็นมะแรงเม้าก็ปีกขาดไปแล้วยังตะเกียดตะกายตะกุยโอยเข้าไปหาเข้าไปหาเข้าไปหาเข้าไปหะเข้าไปคว้าเข้าไปยึดในสิ่งที่มันไม่มีตัวตนให้มันเป็นตัวเป็นตนตขึ้นมาแล้วมันจะได้ไหมเออมันจะได้ไหมมันไม่ได้เพราะฉะนั้นจึงจำเป็นจะต้องรู้ตามความเป็นจริง และจะต้องรู้ตามความเป็นจริงด้วยกําลังของสมาธิต้องมีจิตตั้งมั่นจึงจะรู้ตามความเป็นจริงนั้นทีนี้คําว่ามีจิตตั้งมั่นได้รู้ตามความเป็นจริงมันรู้แบบไหนอ่ะมันรู้เองแล้วเรารู้โดยสอเหตุที่เรารู้อย่างเงี้ยสิ่งทั้งหลายมีการเกิดและการดับที่มีความสเสบอเหมือนกันอันนี้จังทุกขังอนัตตารู้อย่างเงี้ยเรียนมาอย่างเงี้ยแล้วเราก็ไปปฏิบัตินะ พอเราไปปฏิบัติเจริญสมาธิปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าสอนไปเรื่อยๆพอจิตสกบมันก็เห็นสิ่งบางสิ่งสภาพสธิพลสภาพธรรมที่ปรากฏว่ามันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอย่างนี้นี่เองอ่านมันอ๋อแหละทีเนี้ยมันจะอ๋อไอ้ที่เราเคยเรียนมาเคยรู้มาเนี่ยมันจะมาอ๋อตอนที่จิตตั้งมั่นเนี่ย อ๋ออย่างนี้นี่เองอ๋ออย่างนี้นี่เองอ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋อทั้งหลายเลยอ๋ออ๋อเหมือนมันโดราเลยทีนี้หลายอ๋ออ๋ออ๋ออก็ไปทุกอย่างอ๋อก็ไปสารพัดอย่างเลยอ๋อก็ไปในสรรพสิ่งอ๋อก็ไปทะลุจนกระทั่งถึงชั้นของปัญญามันอ๋อก็ไปไอ้ที่เรารู้อยู่เนี่ยไม่ใช่ว่าไอ้พวกที่ปริยัติแล้วไม่มีประโยชน์นะมันมีประโยชน์มากแต่มันต้องปฏิบัติ พอปฏิบัติเสร็จิตตั้งมันก็จะเห็นสภาพธรรมความเป็นจริงที่ปรากฏนั้นน่ะมันจึงจะอ๋ออ๋ออ๋ออืมนี่พระพุทธเจ้าบอกว่าให้เราเจริญสมาธิต้องทําบ่อยๆต้องทําบ่อยๆทําบ่อยๆทาบ่อยๆทำบ่อยๆเจริญบ่อยๆเจริญบ่อยๆสมาธิทีนี้เราไม่ค่อย ทำสมาธิแล้วเราจะไปด่าคนทำสมาธิเดี๋ยวนี้มีคนด่าคนทำสมาธิกันเยอะมีคนด่ากันพอสมควรนะให้พวกนี้ให้นั่งสมาธิไม่ได้เหรอหาว่าไอ้พวกไปดนจงกรมนี่กระจอกโง่พระผู้เจ้าไม่ได้สอนนี่อย่างหลวงพ่อหลวงพ่อวิริยังท่านสอนเรื่องครูสมาธิดีไหมดีนะให้มันปฏิบัติเถอะ มีบางคนที่มันไม่ชอบเรื่องการนั่งสมาธิมันก็าหาว่าเหมือนกลุ่มพวกครูทั้งหไม่มีในพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนมันก็เก่งเกินพระพุทธเจ้าไปเหมือนกันพระพุทธเจ้าบอกว่าสมาทิงพิก เ, กเวภาเวทะพิถุทั้งหลายจงเจริญสมาธิกันเถอะมีคนบางคนบอกว่าไม่ต้องทําสมาธิพระพุทธเจ้าเคยสอนให้ทาสมาธิที่ไหนไม่มีแต่ก็เชื่อถือกันไปร่องบามีพระปรรมบาลเรียนไปนั่งข้างหลังต่อท้ายเป็นพิธีกรคู่ด้วย อันนี้เราไม่ได้ไปว่าเขาเราเผลอตัวพูดไปแค่นั้นเองแต่ถ้าเราไปเดินตามหลังอย่างนั้นนะตายโยมเรียบร้อยแล้วเราเนี่ยไม่รู้ื่อเราจะตายตอนไหนแต่มาบางทีเขานิมนต์ไปเทศวันที่สวดมวนต์ข้ามปีจริงๆไม่ไหวเลยนะร่างกายอ่ะวันนั้นกลางวันทั้งวันพอตกค่ารับนิมนต์ไว้ที่วัด พิเทศวัตรน่วก็ขนมาฝึกนั่งสมาธิอะไอย่างเงี้ยเทศกลับมาถึงวันที่ทุ่มสิบห้าเนี่ยไอ้ไอ้กล้ามเนื้อส่วนหน้าอกแถวเนี้ยมันเหมือนกับไปยกกล้ามมามันมื่ยหมดแล้วเนี่ยแถวเนี้ยเพราะว่าเวลาเวลาไปนั่นแล้วมันก็จะใช้มากกลับมาถึงชวดมนข้ามปีตั้งแต่สี่ทุ่มยันเที่ยงคืน ต่อเนื่องไปอย่างนั้นทั้งวันทั้งชื่นคืนโอ้โหวางทีก็ไม่ไหวแล้วแต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่าวินาทีต่อไปของเราจะมีบ้าถูกไหมเราไม่รู้ว่าชีวิตเราเนี่ยจากนาทีหน้านี่เราจะมีหรือเปล่านักขนาดนี้ น, นได้ทํางานรับใช้พระพุทธเจ้าเป็นทาสพระพุทธเจ้าธรรมะไงกับพระศาสนามีโอกาสทำทำไปเถอะตายก็ช่างมัน พอเราเป็นอย่างนี้มนมัมันก็ไม่มีมันไม่ก็ไม่เหนื่อยเหนื่อยไม่ได้เหนื่อยไม่ได้หยุดไม่ได้เพราะเราไม่รู้ว่าพรุ่งนี้สำหรับเรามีไหมเราเกิดมามีปฏิทินประจำตัวกี่แผน่นทะยมีกี่แผน่นเอาปฏิทินปีก็าใ้มีกี่แผน่นฉีกมาแล้วห้าสิบหกสิบปีแล้วนะฉีกมาห้าสิบกสิบแผ่นแล้วนะเหลือกี่แผน่นไม่รู้นานานระวังเราไม่รู้นี่ ว่าปฏิทินของเราจะเหลืออยู่กี่แผ่นเนี่ยพอวันที่สามสิบเอ็ดธันวาฉีปฏิทินไปอีกแผ่นนึงแล้วไอฉีกแล้วเนี่ยปฏิทินปีของเราเนี่ยฉีกไปที่ละแผ่นที่ละแผ่นที่ละแผ่นเหลืออยู่กี่แผ่นแล้วเนี่ยเหลือกี่กี่แผ่นนะโยมไม่รู้ใช่ไหมไอถ้ามันเหลืออยู่สักครึ่งแผ่นหรือแผ่นรบแผ่นทําไง เพราะฉะนั้นประมาทกับเวลาในปัจจุบันนี้ไม่ได้เลยเอ้าเข้าใจไหมเราประมาทกับขณะที่เป็นปัจจุบันของเราเนี้ยไม่ได้เลยผลัดวันประกันพรุ่งก็ไม่ได้ถ้าเราไม่รู้ว่าชั่วโมงต่อไปของเราจะมีอยู่เปล่านัดที่เรามีนัดอยู่หกโมงอะไรจะ ท, ทุมหนึ่งเนี้ยเรานั ด, น, ดนัดอยู่มันจะมีไหมมันได้ไหมล่ะเออ นั่นถ้าพอคิดอย่างนี้กําลังในปัจจุบันเนี่ยมันจะทุ่มเทเข้าไปแต่เราพิจารณาอย่างนี้นะถ้าเราคิดอย่างนี้กําลังในการที่จะทําในปัจจุบันของเราเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นเนีย่ยเรียกว่าทําตายเป็นตายเราทำํำเราเนี่ยแต่พนอนรธรรมพระเจ้าว่าทัานทังหิ ก, กระรโตปุญญัง ถ้าผัดวันประกันพรุ่งคือถ้ามัวชักช้าอยู่อ่ะทันทังนิเแื่อว่าชักช้าทันทังยิกระโตบุญยังถ้าคนที่มัวชักช้าอยู่กับเรื่องการทําความดีอ่ะเห็นอะไรดีๆแล้วก็ช้าไม่คิดที่จะทําไม่คิดที่จะทําระวังนอกจากเวลานั้นผ่านไปเฉยๆแล้วก็อะไรรู้ไหมปาปสมัมิงรามติมโนใจของเราเนี่ย จากการที่อธิบายให้ควังเมื่อเช้านี่เมื่อเช้าเ้าตั้งใจควังนั้นดีมากน ะ, นะไม่มีใครชมชมเองก็ได้วะ่ะเพราะพระพุทธเจ้าชี้แจงสองสายของชีวิตที่เเดินนะทันทังฮิกระโตบุญยังปาปะสหมิงรมติมันโดใจเราเนี่ยถ้ามัวชักช้าเรื่องของการทำดีเรื่องการปฏิบัติฝึกฝนจบบม่มเจริญจิตตภาวนามัวชักช้าอยู่นะ มันจะไปยินดีในบาปแทนเพราะอำนาจของอะไรอำนาจของโยคะที่มันผูกไว้อะโยคะที่ผูกไม่ธรรมดามันมีลักษณะอักคันอยู่คือว่าอักคันอยู่รักตันอยูสั่งกิจสั่งกิจติสั่งกิจสัต่สสติวางสั่นอยู่หมายความว่าโหมันผูกมาเนิ่นนานยาวนาน ก้เปรียบพวกเราเหมือนกับพวกที่ไหวอยู่ในหลุมโคลนน่ะไอ้เครื่องผูกตั้งหลายแหล่ที่จะมาพูดไว้เมื่อเช้าเนี่ยมันคือเส้นรัดสายเชือกที่มันรัดผูก ม, มัดไว้ที่ตัวของเราแล้วก็ทวงไว้ในหลุมโคลนเราเวลาเราจะไหวการที่เราจะไหวขึ้นมาข้างบนให้มันออกมาจากหลุมโคลนนั้นนะ่ะโอ้ยยากมันนึกไม่ออกมันคิดไม่ได้มันทาไม่เป็น แล้วมันดูแล้วมันไม่ได้ขนาดพระพุทธเจ้าศัตรูแล้วมาบอกบางคนมันบอกว่าเฮ้ยไม่ใช่จนปัจจุบันเดี๋ยวเนี้มันยังมีไอ้มนุษย์ขี้โอบางคนที่เป็นนักวิชาการทั้งหลายมันยังกล้าออกมาพูดว่าคําสอนพระพุทธศาสนามันฝืนธรรมชาติผืนธรรมชาติตรงไหนวะก็ธรรมชาติเราก็สงสัยว่าผืนธรรมชาติยังไงมันบอกธรรมชาติมนุษย์เนี่ยมันมีเรื่องกิน ก็ไปสอนให้มันเรื่องกินอีกให้ไปควบคุมพิจารณาเรื่องกิน เ, เรื่องกามมนุษย์มันมีเรื่องกามอยู่แล้วไปสอนให้พิจารณาเรื่องกามเออเ อ, อก็จริงของมันเพราะไอ้พวกภารชนทั้งหลายที่ถูกเชือกสี่เส้นที่ว่าเนี่ยมันผูกรัดทวงดึงอยู่ใต้ท้องโคลนหลุมโคลนเนี่ยาการไหว้ลงให้จมอยู่ในหลุมโคลนน่ะมันถือเป็นเรื่องธรรมชาต <trans> ิ เรื่องการที่จะไหวให้ขึ้นจากหลุมโคลนเนี่ยมันถือว่าเป็นเรื่องผิดธรรมชาติแต่พระพุทธเจ้าเรียกว่าธรรมชาติสองสายเราเลือกได้มันไม่ใช่ซีซัวหลับหูหลับตาแล้วก็ไหวขึ้นมาเมื่อไหร่เราพระพุทธเจ้าท่านใช้ชีวิตท่านตลอดทั้งชีวิตผ่านมาเสียสงสัยกับแข็สะกับแสนกับทุ่มเททั้งหมดเพื่อศึกษา ในเส้นทางอีกสายหนึ่งของธรรมชาติว่าการเข้าถึงเส้นทางสายนี้แล้วความทุกเนี่ยมันพ้นจากความทุกได้จนช่ำชองช่ำนานและนามาเปิดเผยเส้นทางนี้เรียกว่าอาริยมรรคคือทางอันประเสริฐซึ่งมันมีอยู่ในธรรมชาติใจเราเนี่ยมันมีทางที่ประเสริฐและทางที่ไม่ประเสริฐทางที่ประเสริฐก็ถูกไอ้พวกสามโยคไอโยคะที่ว่านี่มันผูกอยู่ เราเรียกการผูกของมันว่าพวกกิเลส ท, ทั้งหลายแหลเนี่ผูกอยู่ส่วนทางที่ประเสริฐที่เรียกว่าอาริยมรรคทางอันประเสริฐเนี่ยไอทางที่ไม่ประเสริฐมันเป็นอะไรมิจฉาทิฏฐิมิจฉาสังกปะมิจฉาวาจามิจฉากัมมันตะมิจฉาอาชีวะมิจฉาวายามะวิชฉาสติมิจฉาสมาธิเอาทางที่ประเสริฐเป็นยังไง สัมมาทิติสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจ a สัมมากรรมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาว า, ามภาษมาติสัมมาสมาติเออพูดง่ายเนี่ยนี่ทางประเถรทางประเถดดรนี่พระพุทธเจ้าบัญญัติไหมพระพุทธเจ้าบัญญัติไหมไม่บัญญัติเออพระพุทธเจ้าไม่บัญญัติเพียงแค่สมมุติชื่อเรียกขึ้นมาซึ่งสิ่งเหล่านี้มีอยู่แล้วไหนไหนไ ใ, ในใจของเรา สมาธิทีกับสามมิจฉาสิทธิมันมีอยู่ในใจของเราสา ม, ส า, มาสังกปะกับมิจฉาสังกปะมันมีอยู่ในใจของเราเราจะเอาอะไรอ่ะเฮะเราจะเลือกอะไรก็ขึ้นอยู่ที่เรานั่นแหละอืมพระพุทธเจ้าแค่สมมุติชื่อขึ้นมาเรียกเฉยๆธรรมชาติใจเราเนี่ยมันมีลักษณะเป็นคุณสมบัติอยู่คือมันมีความเห็นนะมันมีความเห็นมันมีความคิดริเริ่ม เออแล้วมันมีการมันมีเบื้องหลังของการพูดมีคำพูดมีการกระทำมีการดำรงชีพการเลี้ยงชีวิตและมีความเพียรพยายามมีความพยายามมีความระลึกรู้และมีความตั้งใจนี่เป็นคุณสมบัติของชีวิตที่เป็นปกติไอ้ทั้งแปดประการเราเนี่ย ถ้ามันให้มันถูกให้มันต้องเสียคิดก็คิดให้มันคิดถูกต้องเสียเห็นก็เห็นให้มันถูกต้องเสียพูดให้มันถูกต้องเสียทําให้มันถูกต้องเสียเรี้ยงชีวิตให้มันถูกต้องเสียความเพียรพยายามให้มันถูกต้องเสียระลึกกระลึกให้มันถูกต้องเสียตั้งใจก็ตั้งใจให้มันชอบเสียก็เป็นทางอันประเสริฐพระพุทธเจ้าแค่สมมุติชื่อเรียกเฉยๆให้มันแตกต่างกันตามบัญญัติแต่ในความเป็นจริงอ่ะมันมีอยู่แล้วไม่ได้บัญญัติ จะไปเข้าใจว่าบัญญัติมันมีอยู่ในใจของพวกเราเนี่ยแล้วมันมาจากไหนอ่ะเออแค่ว่าเราจะเริญสติไปเรื่อยๆแล้วมันเกิดความรู้ตามความเป็นจริงไอ้การรู้ตามความเป็นจริงที่มันมีกำลังมากเนี่ยมันทำให้เกิด เส้นทางอันประเสริฐที่ว่านี้แต่ทําให้เราเข้าไปอยู่ในกระแสของเส้นทางอันประเสริฐที่ว่านี้ี่เราไม่เชื่อนะแต่มาพูดมาเื่อพระเจ้าว่าพระเจ้าตรัสว่าอาวิชชาพิเกเวอวิชชาพิกขเขวเ อ, อปุปพังคมาอากุตลานังธรร ม, มานัง สมาปติยาอันวะเรวะอหิริกังอโดตปังเนี่ยรู้จัว่าอาวิชชาคือความไม่รู้อวิชชาคือความไม่รู้ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเป็นหัวหน้าหัวหน้าเข้าใจคาว่าหัวหน้าใช่ไหมเป็นหัวหน้าเป็นที่รวมของอกุศลและธรรมทั้งหลายคือความไม่ดีทั้งปวง แล้วเวลามันมีอยู่มันมีเฉยเฉยมันเกิดร่วมกับเกิดร่วมกับความไม่ละอายและความไม่เกรงกลัวตอบาปนะดูบรรทัดนี้นวงกลมเนี่ยวิชาคือความไม่รู้เนี่ยมันเป็นหัวหน้าเป็นที่รวมของความไม่ดีทั้งปวงและไม่แค่นั้นมันเกิดร่วมพร้อมกับความไม่ละอายความไม่เกรงกลัว ไอ้หัวเงื่อนนี้ที่มันอยู่ที่ใจของเราเนี่ยมันสามารถทําให้เราทําบาปได้ได้เราเป็นคนชั่วได้แล้วอย่าประมาทว่าโอ๊ยฉันเข้าวัดทุกวันฉันไม่ทําลองดูลองเจอสิ่งกระทบสิ่งกระทบที่มันทะลุมันทะลุภูมิของใจเข้าไปเมื่อใดเมื่อนั้นน่ยไอ้กิเลสทั้งหลายแตกกระสานสั้นเ้นเข้ามาก่อตัวก่อเรื่องขึ้นมาก็ก่อเป็นอกุศลทันทีอืม พระพุทธเจ้าก็ตัสต่ออีกพอผูปังนเขมาเนีอาหิรังค์เราก็กำลังตรัสว่าอาวิชชาคาตสะพิกะเวอวิทสุโนมิชาทิฏธิปะโหตินานเรื่องเกิดขึ้นตรงนี้ว่าความไม่รู้ความไม่รู้ที่ชื่ออวิชชา ความไม่รู้ที่ที่ชื่อว่าอวิชชาที่ประกอบด้วยวิชาเนี่ยที่เกิดขึ้นเนี่ยย่อมทำให้มิจฉาทิฐิปะโหติย่อมทำให้มิจฉาทิฏฐิเกิดนั่นน่ะมันไปแล้วพอหัวเรื่องมันไปตรงนี้ท่านว่ามิจฉาทิฏสะมิจฉาสังกปปะโหติเมื่อมิจฉาทิฐิเกิดมิจฉาสังกปะก็เกิดมิจฉาสังกปสสะมิจฉา วาจาปะโหติเมื่อมิชาสังกับปะเกิดมิชาวาจาก็เกิดมิฉาวาจาจัตสัมิจฉากัมมันโตปโหติเมื่อมิชาวาจาเกิดมิฉากัมมันตะก็เกิดมิชากัมมันตัสสัอมิชากัมมันตัสสามิชาอาชีโวโหติเมื่อมิชาอาชีวะเกิดมิเมื่อมิชา กามันตะเกิดมิฉาอาชีวะก็เกิดมิฉาอาชีวะสัมิฉาวายาโมโปติเมื่อวิชาอาชีวะกเกิดมิฉาวายามะก็เกิดเป็นลําดับไปรู้จักว่างี้ก็จริงไหมมันก็จริงเราเถียงไหมแต่ทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่พระพุทธเจ้าบัญญัตินะท่านแค่สมมุติชื่อเรียกนี้ขึ้นมาไอความคิดที่มันริเริ่มตั้งขึ้นด้วยอํานาจแห่งกาม ท่านเรียกว่ากามวิตกแค่ท่านเรียกชื่อส่วนไอกามวิตกความหมายมันไอความคิดริเริ่มที่มันดึงสั้นออกไปด้วยอานาแห่งกามมันเกิดขึ้นที่ไหนที่ใจของเรามันมีไหมล่ะมันมีมันมีอยู่จริงไหมมันมีอยู่จริงไม่ได้บัญญัติเลยแกสมมติชื่อเรียกว่ากามวิตกอันนี้เป็นมิจฉาสังกปะ อันนี้พูดพูดเพื่อให้ทำความเข้าใจว่าพระเจ้าไม่ได้บัญญตัติมันมีอยู่แล้วที่ใจก่อนเพราะฉะนั้นใจเราจึงมีธรรมชาติทั้งสองสายอยู่มีธรรมชาติทั้งสองสายอยู่ถ้าเราไม่ภาวนาเปิดทางให้อวิชชาเป็นใหญ่พออวิชชาที่ว่านี้มันเป็นใหญ่มันก็จะปิดทางปิดทางของเราแล้วเนี่ยปิดทางเลย แล้วก็จะถูกขังอยู่ในกลนไกอันนั้นไม่สามารถที่จะหลุดออกมาได้รู้ตัวเมื่อใดจนกว่ามาพบกับเอกชัยนี่แหละจึงค่อยๆตะเกียดตะกายหาทางนี่ก็ไม่ค่อยมานะเมื่อก่อนไม่ค่อยมีนี่เ น, เ น, เนมาบ่อยแลเนี่ยมาบ่อย พออย่างเงี้ยเรียกว่าเรากําลังตะเกียรตะกายหาทางอืช้าไม่ได้พระพุทธเจ้ารู้เสร็จทงไมพอรู้เสร็จเปิดเผยหมดไม่มีอะไรที่จะท่อนเต้นปิดบังพวกเราได้อพวกท่านที่มานั่งกันอยู่เนี่ยควังทําความเข้าใจแล้วปฏิบัติเท่านั้นนหละควังทําความเข้าใจแล้วก็ปฏิบัติตามเท่านั้น ตามไม่ใด่ตามอัตมาไม่ใด้ตามหลวงปู่หลวงพอ่อเลยตามพระพุทธเจ้านะถ้าไม่ใช่พระพุทธเจ้ า, าเข้าไปไม่ถึงพระพุทธเจ้าอย่าไปตามเขาเชียะอืมตามเขาไปนี่มีสิทศีลด้วยเขาก็ตามตามกันมาเยอะแล้วฮะเขาตามกันมาเยอะแล้วแต่ของพระพุทธเจ้าเนี่ย ไม่ได้แน่นอนถูกต้องตรงทางมันใจเราจึงมีธรรมชาติสงสายเป็นปกติตรงนี้ต้องต้องทำความเข้าใจและยอมรับมันพระพุทธเจ้าตรัสรู้ไปที่ไหนนั่งที่ใต้ก้นโพขุดคุยศึกษาลงเข้าไปในใจของพระองค์เอง ไม่ได้ประสงค์ที่จะมาตรรู้สวรรค์วิมานอะไรไม่ใช่ประสงค์เพื่อความพน้นทุกข์ว่าแท้จริงมันเป็นอย่างไรก็ศึกษาก็ับไปลึกก็ไปลึกก็ไปลึกก็ไปลึกก็ไปลึกก็ไปลึกก็ไปปรากฏว่าพบความจริงที่ปรากฏอยู่ในพระไตรของพระองค์นั้นเยอะมากจนกระทั่งสัพพัญยุตยานก็คือรู้แจ้งแทงตลอดถึงกองของธรรมธาตุทั้งปวงก็อยู่ในนี้ ทั้งหมดเลยและปรากฏอะไรรู้ไหมปรากฏว่าความจริงที่พระพุทธเจ้าค้นพบอยู่ในพระไตรของพระองค์นั้นนะกลับเป็นความจริงที่มีอยู่ในใจทุกๆใจเพราะฉะนั้นพวกเรามีต้นทุนเท่ากันหมดไม่เปรียบไม่เปรียบกับพระพุทธเจ้านะยกพระพุทธเจ้าออกไปเราทุกคนมีต้นทุนเท่ากันหมดเพราะเรามีอะไรมีใจ นั่นเลยนั่นเลยอืมอืมเอาละ ว, วันนี้พอท่มควรเก็บเวลาเดี๋ยวรับพรนะเยาทาวาริวาฮาปุราปาริปุเรนติสากะรังเยวะเววอิโตทินนางเปตานางอุปกปตติ จิตตังปติตังตุมหังคิปะเววัสมิตรตุสัเพปูเรนตุสังกาปาจันโทปนรโสยาามณิโชติราโสยถาอภิวาทนาสีลิสานิจังวุฒาปจายิโดจัตตารุธรรมาวัตติอายุวันโดสุขังพระลังเตอัตลัทธสุขิตาวิรุณหาพุทธาสเด มารุคาสุขีตาโทหทะสังฆสเพหิยติภิสิทธมัตตุสิทธมัตตุสิทธมัตตุอิดังพลังเอตสัมิงรัตนทายาสัมิงสัมปัาสาดานเจตาโซสับบุทธานุภาเวนะสับบธรรมานุภาเวนะสับบสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีพระวันตุเต